บทนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปพยาแห่งปัญหาของท่านมานุป ก, ก็ได้จบตรงท่านมานพท่านต่อไปคือท่านเหพบะมานุปได้กราบทูลต่อพระผู้มีพระภาคเจา้าในช่วงแรกเป็นการแสดงความรู้สึกทุกข์คิด ที่มีตอละทิคคำสอนซึ่งเผยแพร่ปรากฏอยู่ในสมัยนั้นว่าเมื่อก่อนที่าศาสนาของพระองค์จะวัดบังเกิดขึ้นบรรดาอาจารย์ทั้งหลายได้กล่าวคำสั่งสอนที่ำํำสืบต่อกันมาซึ่งบางอย่างก็ไม่ยุติด้วยเหตุผลทาให้ค่าพระองค์รู้สึกเบื่อหน่ายต่อคำสอนเหล่านั้น ที่จะประพฤติปฏิบัติตามขอพระผู้มีพระภาคเจ้าได้โปรดสัตบอกหลักการปฏิบัติที่จะช่วยขจัดตัญหาอันก่อให้เกิดความสายไปในอารมณ์ทั้งหลายซึ่งบุคคลผู้มีสติประพฤติปฏิบัติแล้วจะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ปัญหาในประเด็นนี้ เป็นการชี้ข้อที่ควรศึกษาและปฏิบัติอยู่สองช่วงสำคัญสำคัญด้วยกันช่วงแรกก็คือการมองสิ่งทั้งหลายที่มีอยู่ปรากฏอยู่ให้เกิดความเข้าใจถึงความจริงในสิ่งเหล่านั้นความถูกต้องดีงามหรือความไม่ถูกต้องดีงามมีอยู่ในจุดใดเพียงไรก็ยอมรับนับถือ ในสถานะเหล่านั้นจะทำให้บุคคลได้รับประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่และกระจัดสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ออกไปจา ก, ก จ, จิตใจของตนข้อปฏิบัติในชั้นของศีลธรรมจัญยาทั่วไปนั้นแล้วก็พบความจริงประการหนึ่งว่าสามารถมีได้ในส่วนต่างๆจะสมบูรณ์มากน้อยแค่ไหนเพียงไรนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง แต่ท่านเห็นอากาศเองท่านมองผลสูงสุดในการศึกษาและการปฏิบัติเมื่อได้พิจารณาเห็นอย่างเด่นชัดแล้วว่าคาสอนที่มีการเผยแพร่ ก, กันก่อนพระพุทธศาสนาจะอุบัติมานั้นบางอย่างเป็นเรื่องของทฤษฎีที่นำสืบต่อกันมาอาศัยความเชื่อถือการปักใจข้องใจยอมรับตามสมควรแก่ฐานะต่างๆซึ่ง สิ่งที่นำสืบกป อ, อ ก, กันมานั้นบางอย่างก็อาจจะถูกต้องบางอย่างก็อาจจะไม่ถูกต้องแต่แม้ว่าจะเป็นความถูกต้องสําหรับท่านเหนมาก่าเองแล้วท่านไม่ต้องการผลในระดับนั้นท่านจึงมุ่งผลที่เหนือขึ้นไปกว่า น, นั้นเวลากราบทูลถามพระผู้มีพระภาคเจา้าจึงกราบทูลถามถึงหลักการปฏิบัติเพื่อผลนั้นสูงสุด ละสิ่งที่ท่านมองเห็นว่าเป็นโทษต่อการดำรงชีวิตอาจจะนำพาจิตใจของตนไปสู่ความทุกข์ความเดือดร้อนในชั้นต่างๆดังนั้นก็คือตัณหาอันมีลักษณะสั้นไปแล่นไปในอารมณ์ทั้งหลายตัณหาเหล่านี้เมื่อเกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลก็จะกอ่อให้เกิดอาการดิ้นรนทะเยอทะยานอยากทางใจ จะบังคับใจให้สายไปในอารมณ์นั้นสาบใดที่ปัญหายังไม่สงบอาการสายไปของจิตก็ยังไม่หยุดถ้านองกระลมพัดให้ต้นไม้ไหวสาบใดที่ลมยังไม่จุดต้นไม้ก็ต้องไหวอยู่ร่ำไปไปมากไหวน้อยก็เป็นเรื่องของลมที่พัดผ่านมาฉัน้นใดก็ดีจิตใจของบุคคลที่ถูกตัญหาซึ่งใช้คำวิริวาสัติกา คือมีความสั้นไปลั่นไปหมุนไปในอารมณ์ต่างๆนั้นรับครอบงมใจอยู่ความสงบสุขก็จะมีไม่ได้ถึงบางครั้งบางคราวอาจจะสัมผัสความสุขซึ่งเกิดขึ้นจากความทุกข์ที่ลดลงก็ตามแต่เอาเข็จริงแล้วความสุขที่เป็นเป้าหมายสูงสุดนั้นจะมีเพราะใจที่มีตันหาไม่ได้เนื่องจากสภาพของตันหา ในลักษณะราเร้อนดิ้นรนกวัดแกวงห้ามยากรักษายากแต่ว่าสภาพของความสุขนั้นเกิดจากการสงบความร้าวร้อนเกิดจากการสงบความทุกข์เกิดจากจากความสงบกิเลสบาปธรรมอกุศลต่างๆเพราะว่าทั้งสองประการนี้จึงอยู่ในจุดที่ตรงกันข้ามเมื่อสิ่งหนึ่งปรากฏขึ้นมาอีกสิ่งหนึ่งก็ปรากฏไม่ได้ เห็นว่าตันหาเกิดขึ้นกลุ่มรมใจครอบงำใจในขณะนั้นบุคคลจะได้ความสุขความสงบด้วยไม่ได้ตยามใดที่จใจได้สัมผัสกับความสุขความสงบไปเชียเห็นถึงการลดละบันเท่าของตันหานั้นลงไปโดยนับตันหาจึงชื่อว่าเป็นเหตุเกิดแทงความทุกข์แม้ในรียสัตร์ทั้งสี่ประการ ถึงเป็นธรรมะที่ส่งแสดงในรูปของการลงตัวแต่แสดงตามฟอร์มของอริยสั์แล้วก็จะเน้นไปที่ตัณหาว่าเป็นสมุทัยสัตว์เพราะการของกิเลสประเภทที่เรียกว่าตัณหาปรากฏชัดภายในใจคนมีการดิ้นรนซัดสายจึงส่งแสดงลักษณะเอาไว้ในทุกขสมุทัยอริยสัตว่ามีสามลักษณะด้วยกันลนักษณะแรกก็คือ ก็ให้เกิดความเป็นความมีที่สืบเนื่องกันไปจนถึงก็ก่อให้เกิดก็ให้มีการบังเกิดในพบในชาติต่างๆตามแงรงผลักดันของตหางคนนี้เพื่อสังเกตว่าพิเลศประเภทความอยากความกำหนัดความพอใจปรารถนาต้องการยินดีในอารมณ์อะไรต่างๆแม้จะมีการสแสวงหาจนได้สิ่งนั้นมา แต่ก็ไม่ทําให้ใจรู้สึกว่าเต็มไปอิ่มไปพอไปหยุดไปค ว, วแล้วใจจะใสยความอยากที่เกิดขึ้นสืบเนื่องจากสิ่งนั้นต่อไปแล้เมื่อปรุงแต่งสิ่งนั้นจนเขาถึงความสมบูรณ์แล้วก็จะกําหนดสิ่งอื่นเพื่อแสวงหาต่อไปอาการดิ้นอาการสายไปในรมทั้งหลายจึงสายไปได้ทั้งที่เป็นอดีต ทั้งที่เป็นนาคตทั้งที่เป็นปัจจุบันอาการสายไปของอดีตนั้นในการที่เป็นอดีตนั้นมากจะประรคความดีงามต่างๆที่เคยประสบสัมผัสมาในอดีตเมื่อเผชิญหน้ากับปัจจุบันถึงเป็นเรื่องไม่น่าชื่นชมยินดีใจก็จะดิ้นจากอารมณ์เหล่านั้น ส่วนมากการดิ้นไปสู่อดีตจึงเป็นการดิ้นของคนที่ประสบปัญหาในปัจจุบันคอยคว้าปรารถนาที่จะได้อารมณ์ซึ่งเป็นอดีตในการสายไปกว่าจะสายไปเป็นอเนกเปรียายอารมณ์หยาบบ้างละเอียดบ้างเร็วบ้างประตนดบ้างไกลบ้างไกลบ้า ง, งนั่นคือการสูญเสียเวลาที่พลังทางจิตก็ถูกแผดเผาการเวลาของชีวิตก็สูญสูญสิ้นไป ตอนนี้เพราะว่าเรื่องของอดีตเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตแล้วก็ได้ดับไปแล้วในอดีตการศึกษาเรื่องอดีตหรือการเหนียวนึกเรื่องอดีตถ้าได้ศึกษาเหนียวนึกในแง่ที่เป็นบทเรียนเทียบเคียงกับปัจจุบันเท่านั้นแต่ไม่ใช่ศึกษาเพื่อปล่อยคว้าเพืดึงให้อดีตกลับมาแต่บุคคลอาจจะอาโครงสร้างในอดีตหมายใช่ เป็นหลักในการดาเนินชีวิตของตนในการทำงานของตนในปัจจุบันได้บางครั้งบางคราวใจก็จะสายไปแล่นไปในอนาคตเป็นการมาดหมายมุ่งผลที่ตนต้องการปรารถนาให้บังเกิดขึ้นในอนาคตถึงจานวนบนาลีท่านใช้คว่าขอให้เป็นอย่างนี้อย่าได้เป็นอย่างนั้นลักษณะาการขอจึงขออยู่สองแนว่วขอให้เป็นอย่างนี้อย่าให้เป็นอย่างนั้น ขอเป็นอย่างนี้ก็คือขอให้ได้ในสิ่งที่ใจกําหนดว่าหน้าใครนับปรารถนาน้าปอใจขออย่าได้เป็นอย่างนั้นก็คือสิ่งอะไรก็ตามที่ตนไม่ชอบเราไม่ปรารถนาที่ใจสิ่งนั้นเกิดขึ้นในชีวิตของตนแต่ว่าจริงแล้วก็เป็นเรื่องของอนาคตถึงจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ยังไม่แน่เสมอไปถึงแม้จะเกิดขึ้นก็ไม่สามารถที่จะเกิดให้เต็มตามใจปรารถนาได้แต่นั่นก็คือตัณหาที่สั่นไป อาจจะสายไปในเรื่องของปัจจุบันวก็เล่นไปในอารมณ์ต่างๆคือสายไปในเรื่องนั้นสายไปในเรื่องนี้ซึ่งข้อนี้ถ้ามีการตรวจสอบสังเกตพินิพิจารณาถึงลักษณะเป็นวิสัตกาวิสติกาคือสายไปเล่นไปซ่านไปของใจที่ถูกปรุงแต่งในยตันหาเป็นความเคลื่อนไหวที่เป็นรูปธรรมสามารถสังเกตได้ในชีวิตของบุคคลทั้งหลาย ไมจะเป็นใครก็ตามถ้าใจยังมีตัณหาอยู่อาการสายไปของตัณหาก็จะปรากฏขึ้นเช่นว่าไปซื้อของในสถานที่ใดที่หนึ่ง <c oughs> เห็นของสวยงามน่าพอใจเท่านั้นอยากได้สิ่งนี้อยากได้สิ่งโน้อนอยากได้สิ่งนั้นเรื่อยไป <c oughs> เมื่อไปเห็นสิ่งหนึ่ง <c oughs> ก็เกิดพอใจ <c oughs> เหลือไปเห็นอีกสิ่งหนึ่ง <c oughs> ก็เกิดพอใจอีกมันจะเดินไปเดินมา เพราะตันหาบังคับให้สายในชั้นแรกแก บ, บังคับเฉพาะใจเฉยๆแต่พอ แ, แกมีกําลังมากพอแกจะบังคับกายให้เดินไปด้วยบังคับวาจาให้พูดไปด้วยแต่จะเดินหรือจะพูดหรือจะคิดก็ตามก็คงเป็นอาการสายแรงผลักดันของตันหาอยู่นั่นเอ ง, งบางครั้งบางตาบุคคลต้องสูญเสียเวลาไปเพราะตันหาแกสายบ้างไม่สามารถกําหนดได้ จะแล่นไปในรูปต่างๆไม่มีที่สิ้สุดซึ่งข้อ น, นี้เป็นเรื่องที่บุคคลจะต้องหยุดคิดหยุดพินิจพิจารณาก็จะเห็นว่าการที่ปล่อยใจยให้สายไปเช่นนั้นในสุดตัวเองก็ตกเป็นทาศโดยถูกบงการบังคับใช้จากปัญหาที่ตัวเองก็ปรุงขึ้นมาเอง สร้างสรรค์ขึ้นมาเองแต่บางครั้งบางคราวก็อาจจะใช่แต่จิตสำนึกเหล่านั้นผ่อคลายบรรเทาละและงับดับธนาออกไปได้ค้อนนี้เพิ่งสังเกตตัวอย่างพระนุลพุทธอนุชาคือน้องชายของพระพุทธเจ้าที่ใจของท่านก็สายไ ป, ปแรงตัญหาที่มีในเจ้าสาวของท่านคือนางชนบทกรัญญานี พระพุทธเจ้านำท่านออกประนวดโดยการบังคับผืนใจกันแต่วใจท่านเองก็มีความกระสันมีความคิดถึงถ้อยคำของเจ้าสาวของท่านที่บอกว่าขอพระลูกเจ้าได้โปรดเสด็จมาดวนด้วยแม้จะนั่งทำกรรมฐานสร้างความสงบขึ้นภายในใจแต่หูก็จะแวววเสียงสั่งนั้นจนไม่สามารถคุมใจสงบได้ มือจาเป็นจะต้องควบคุมใจก็แลนกลับไปกลับมาระหว่างเสียงสั่งของเจ้าสาวกับเสียงสั่งของพระพุทธเจ้าถึสงสั่งของพระพุทธเจ้าเป็นเสียงที่ก่อให้เกิดความเคารพศรัทธาเรื่มใส่ที่ท่านเองก็ต้องระพิธปฏิบัติตามแต่เสียงสั่งของเจ้าสาวนั้นเป็นเสียงแห่งความสเสน่หาอะไหลถึงใจก็ไหวตามคลอยตามอดเดียวนึกไปไม่ได้ การต่อสู้ตามความคิดตัวนี้ก็เกิดขึ้นโดยลำดับฝ่ายไหนจะชนะือจะแพ้นั้นก็ขึ้นอยู่กับพื้นฐานทางใจและการมนุสการอารมณ์ในขณะนั้ น, น, นไว้เพิ่มน้ำหนักให้แก่ฝ่ายใดถ้าฝ่ายใด้รับการเพิ่มน้ำหนักให้มากกว่าใจก็จะตกไปในฝ่ายนั้นเพราะในชั้นแรกท่างก็ไปเพิ่มน้ำหนักให้ท้อยคาของนางชนบทกัลยาณีมากกว่า จิต ใ, ใจก็รู้สึกไม่สงบจนกระสารอยากจะศึกไปในที่สุดพิสูทั้งหลายได้นำความไปกราบถูนพระพุทธเจ้าพระเจ้ากระรับสั่งเรียกเข้าไปท่านก็สารภาพตามความเป็นจริงว่าความรู้สึกของท่านในขณะนั้นเป็นอย่างนั้นจึงได้นำพาท่านด้วยพุทธานุภาพให้ไปดูดังลิงรุ่นตัวหนึ่งที่ถูกไฟไหม้ นั่งอยู่บนตอไม้ที่ถูกไฟไหม้ในตอนแรกหลัจากนั้นก็นำไปดูเทพธิดาในสูงสวรรค์เป็นภาพที่สวยงามวิจิตรบรรจงกว่านางจนบทกัรยาณนนีมากพระผู้มีพระพภาคเจ้าใชา้วิธีปล่อยใจให้ไหลแล้วค่อยๆกระตุกจิตสำนึกขึ้นมาโดยทรามด์เมืเ่อพบเห็นนางเทพธิดาพระเจ้าก็รับสั่งว่าเป็นไงสวยไหม เ่กกากาบถุนมาสวยชอบใจไหมท่านบอกก็ชอบอยากได้ไหมท่านบอกก็อยากได้แต่เทียบกับนางชนบทกาญยาณีเป็นยังไงท่านบอกก็เทียบกันไม่ได้นางชนบทกาญยาณีนั่นเหมือนกับนางลิงรุ่นที่พบในระหว่างทางสูเทธิดาเหล่านี้ไม่ได้แล้วก็นำถามไปเรื่อยๆในที่สุดแม้จะพบสกี่คนก็ตามตันหามันก็สายไปได้เลย เรากำหนดรักให้พลอยตายอยากได้อยู่เรื่อยไปนี่เป็นอาการโพโนพบิกาคือก่เอเกิดความมีความเป็นที่ต่อเนื่องกันไปจากสายนั้นไม่ได้กำหนดเอาเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งเพราะนี้ลองสังเกตว่าคนที่เล่นนาฬิกาก็ดีสแตม์ก็ดีเครื่องลายครามก็ดีหรือว่าจะเล่นกล้วยไม้หรืออะไรก็ตามจะมีอาการแล่นไปในสายนั้นก่อนเช่นสมมุติว่าเกิดพอใจสนใจในกล้วยไม้ ได้ชนิดหนึ่งแล้วก็อยากได้ชนิดอื่นอยากจะได้นอื่นแล้วก็อยากได้ชนิดอื่นต่อไปอีกเมื่อได้สมมติว่าได้มาครบทุกชุดทุกชนิดที่มีอยู่ในโลกใจมันก็ได้จะพอได้จะอิ่มแต่ความคิดก็อาจจะแล่นไปโดยเอาชนิดหนึ่งกับชนิดหนึ่งมาสมพันธ์กันได้เป็นอีกชนิดหนึ่งก็จะสนุกเพลิดเพลิน อ, อยู่กับเรื่องดอกนั้นรำไปเป็นการสายไปของจิตซึ่งแน่นอนเหลือเกินว่าในชั้นหนึ่ง แต่ว่าไม่รุนแรงเกินไปเป็นเรื่องของศีลธรรมสัญญาก็ไม่มีปัญหาใดแต่ถ้ามองในชั้นสูงสุดเพื่อความหลุดพ้นที่แท้ จ, จริงแล้วสิ่งเหล่านี้ก็มีปัญหาทั้งหมดวิธีการของพระพุทธเจ้าในการดำพระชนนะ์ให้มองเห็นการตกเป็นทาสของตัณหาที่สายไปแล่นไปในวอารมณ์ทั้งหลายเพราะเป็นการเพิ่มความทุกข์ให้เกิดขึ้นแก่ตนเอง ในชั้นแรกก็ใช้วิธีพูดอะไรกันยังไม่รู้เรื่องก็เลยรับสั่งบอกว่าถ้าเธอตั้งใจประพฤติปฏิบัติตั้งใจประพฤติปฏิบัติพรหมจรรย์แล้วตถาคตก็เป็นนายประกันให้คือจะให้เธอได้นางอัปสรถึงห้ารอย น, นี่เป็นการเพิ่มน้ำหนักลดการกำหนดอารมณ์จากนางชนบทกัญญาณนี้มาอยู่ที่นางอัปสรเราเป็นการถอนลูกศร อีกดอกหนึ่งถึงนม่นจะมีลูกศร อ, อีกดอกหนึ่งก็ตกัดแต่สภาพจิตของท่านไม่ได้ปักอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งแต่มันเล่นแล่นไปถึงนางอับสรนตั้งห้าร้อยคนในสมัยก่อนเป็นอาการจิตที่ตกครักอยู่ในเรื่องเดียวแต่เมื่อท่านเพ ย, นพยายามปฏิบัติไปไอ้ข่าวการรับประกรันของพุทธเจ้าก็แพร่หลายไปเพิ่นก็ล้อดเด่นในสุดท่านก็เริ่มได้คิดมองเห็นว่า ความกำหนัดความรักความพอใจในอารมณ์ทางหลายนั้นไม่มีที่สิ้นสุดพรจะพุทธเจ้านาไปท่านไปดูเพียงห้าร้อยแต่ท่านเองเกิดอยากเกินห้าร้อยไปบางครางางคราวเลยไม่รู้ว่าอยากได้นั้นสิ่งที่ตนอยากได้นั้นอยู่ในชีดายในสุก็สำรองความพอใจในเตติดาทั้งหลายหรือแม่เตนางจนนบทกันญาีิออกไปบำเพ็ญเพียรกับบรรุอรหัตได้ ก็อนการสายไปก็ตานหนัจึงต้องอาศัยสติสัมปชัญญะเป็นตัวระลึกรู้วินิพิจนาให้มองเห็นโทษด้วยมองเห็นโทษตามแนวที่สูงแสดงไว้นั่นเองแล้วก็ให้เกิดความมีความเป็นที่ต่อเนื่องไปเรื่อยว่าในจุดใดก็ตามในจุดข้าราชการก็แล่นไปถึงสี่สิบเอ็ดสสิอ็แล้วน่าจะหมดแล้วเพราะหมดสีแล้วแต่ตรหากก็บังคับใจให้สายไป ต้องการเป็นกรรมการในคณะนั้นคณะนี้คณะนู้นต้องการไปดูงานที่นั้นที่นี้มีอะไรก็ต้องการให้คนมารายงานมาแจ้งให้ตนทราบทุกเรื่องจะทำอะไรต้องบอกต้องกล่าวตนต้องการให้มีคนห้อมล้อมตนในแต่ละสารพัดแล้วก็จริงไม่มีความจบสิน้นแม้ในแง่ของความสมมติที่ตกลงนัดหมายกันว่านี้คือจบสิ้นแล้วเป็นสุดยอดของชีวิตแล้วก็มาแค่นี้แหละ ตานาแกไม่ยอมจุดของแกในจุดนั้นก็จะลั่นสายไปเรื่อย เ, เพราะฉะนั้นตาเนมากะจึงมองเห็นว่าจิตที่สายไปเพราะแรงดันของตาหานั้นก็เกิดความ ร, าร้อนร้อนที่ทั้งสัมผัสได้ด้วยใจของท่านเองแต่ในชีวิตของท่านความทุกข์ต่างๆที่เกิดขึ้นไม่จโยงเข้าไปหาหมูลเหตุที่ก่อให้เกิดความทุกข์เหล่านั้น กบิณฑิชายตัดสินได้ว่าถ้าใจไม่ถูกครอบงำด้วยตัณหามากนักในความทุกข์เป็นอันมากก็จะลดจะระ ง, งับจะดับลงไปแต่่าใจตกเป็นธักของตัณหามากในความสงบสุขก็เกิดขึ้นได้น้อยใ้าที่สุดก็มองเห็นโทษของตัณหาซึ่งมีลักษณะอย่างอื่นอีกเช่นว่า มีความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลิดเพลินในอารมณ์ต่างๆเพลินดูเพลินชมเพลินฟังเพลินคิดอะไรก็สารพัดตั้งในด้วยสิ่งที่ได้เห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูสูดดมด้วยจมูกลิมด้วยลิ้นถูกต้องด้วยกายแล้วก็นำมาเหนี่ยวนึกด้วยใจได้ทั้งนั้นบางอย่างแม้จะไม่มีอะไรเลยแต่ก็จะเหนียวนึกถึงเรื่องที่เป็นอดีตบ้างอนาคตบ้างปัจจุบันบ้างขึ้นมาึกนึก มุ่งมั่ปรารถนาทะเยอะทะยานอยากเพื่อจะให้เป็นอย่างนั้นเพือจะเป็นอย่างนี้จะได้เป็นอย่างน้นดังนั้นจึงทรงสแสดงว่าใจมันจะเพลิอเพลินยิ่งขึ้นในอารมณ์ตอานั้นในกรณีของการมาตัญหาเป็นอาการค ว, ว้าทางใจในสิ่งที่เป็นรูปธรรม่าตัญหานั้นเมื่อเกิดขึ้นมุ่งหมายสถานะต่างๆหรือความเป็นต่างๆ แม้แต่การบัตรบังเกิดในพว่ชาติต่างๆก็เป็นเรื่องที่ยังตกอยู่ในกระแสของตัณหาในชั้นนี้ถ้าพูดถึงระดับศีลธรรมจญญาศึกษาเหตุศึกษาผลที่จะปฏิบัติตัวในได้สถานะเหล่านั้นด้วยความเพียรพยายามที่ถูกต้องสมเหตุสมผลโป็นเรื่องของความดีงามในชั้นศีลธรรมจั ญ, ญา แต่เมื่อมองจากจุดสูงสุดแรงนัของภาวะตันหานั้นก่อให้เกิดภพการอุบัติบังเกิดในภพเป็นเรื่องสูงสุดพระเจ้บใดที่มีภพก็ต้องมีชาติคือความเกิดมาเกิดมาแล้วก็ต้องแก่เจ็บตายเข้าสู่กระบวนการของความทุกข์คือเข้าสู่กระแสทุกข์อีกทอดหนึ่งื่อมองในจุดนี้ กระแสะของตาหาที่เป็นภาวะ ต, ตานาแม้จะสูงสุดนก็ยังเป็นภพแม้จะประณีตก็เป็นภพซึ่งพร้อมที่จะเป็นชาติในชาติคือความเกิดแล้วก็พร้อมที่จะแก่เจ็บตายหมุนวนก็สู่กระแสะของทั้งศาร์รัติอีกนั้นภาวะ ต, ตาหาแม้ที่ประณีตถ้ามุ่งผลสูงสุดก็เป็นเรื่องที่จะต้องสำรอกต้องผ่อนคลายลดละบรรเทาลงไป ถึงก็หมดสิ้นไปวันนี้ผู้ปฏิบัติจะสังเกตเห็นได้ว่าข้อปฏิบัติของพระโพธิสัตว์เกิดเจ้าชาติสัตตะก่อนที่จะจัดรู้เป็นพระพุทธเจ้านั้นถ้ามองในแง่ของสังสารวัฏก็ถือว่าเป็นภพชาติที่สูงมากบางเกิดได้ถึงอรูปะพร์มมีขันธ์อยู่เพียงสี่ตนั้นเองคือเวทนาตัญญาสังขารวิญญาณ และจะอยู่สวยสุขเป็นระยะเวลาที่มากคือนับเป็นตัวเลขไม่ได้เลยทั้ไปพักการหมุนวนในสังสารวัตรไม่ได้นานแต่ด้วยพระปรีชาญาณดั่งรู้ว่านั่นก็คือภพนั่นก็คือชะซึ่งจะต้องหมุนกลับเข้าสู่ชราคือความแก่บรรณะความตายมีความเจ็บไข้ได้ทุกบางเกิดขึ้นบีบขั้น มากบางน้อยบ้างขึ้นอยู่ก็บพบขึ้นอยู่กับสถานะของบุคคลอนนัน้แต่เมื่อกล่าวโดยสรุปก็คือไม่สามารถหลุดพ้นจากทุกอย่างแท้จริงได้แม้จะเป็นความสุขที่ประณีตขึ้นไปโดยอําดับก็ไม่ถือว่าบรมสุขเพราะว่าตัณหาจึงถูกมองไปในแง่ที่เป็นเหตุปัจจัยให้เกิด ท, กทุกขั้นตอนแม้แต่จะประณีตก็ยังเป็นปใจใัจจัยเกิดทุกข์ ปัญญประโพธิสัตว์จึงไม่พอพระไทยที่อยู่ในสํานักของอราดาบทหรือทกาดาบททั้งๆ ท, ที่ข้อปฏิบัติในชั้นนั้นสําหรับระดับศีลธรรมจัญญาถือว่าสูงสุดแต่สําหรับต้องการหลุดพ้นจากทุกถือว่าเป็นตัวถ่วงเป็นตัวดึงที่จะทำให้บุคคลเดินไปไม่ได้และพร้อมที่จะเสริมสร้างอทิฏฐิคือความเห็น ความเห็นในแง่ที่มีสภาวะที่ยงแท้ยั่งยืนไม่แปรผันอยู่เนื่องจากภาวะตัณหาคือใจที่ดิ้นรนทเยอทยานอยากในความมีความเป็นต่างนั้นเกิดประจับขึ้นผันใจเป็นอาการของโมหะความหลงเรื่องวิชากันที่มีการกำหนดหมายว่ามีสภาวะอย่างหนึ่งซึ่งอาจจะเรียกว่าอะไรก็ได้ ทาประเทศอินเดียก็าอาจจะเรียกว่าปรมา ต, ตามันชีวะตมันมหาตามัปุรุษะพรหมันหรือหรือพระพรหมในศาสนาอื่นอาจจะเรียกพระเจ้าระโยะวาปราณลาะเป็นต้นซึ่งก็เชื่อกันว่าเป็นสภาวะที่เที่ยงแท้แน่นอนไม่มีการแปรผันแต่ประการใดใจที่ประกอบด้วยภาวะตัณหาจึงมุ่งผลักดันบุคคลให้เข้าสู่ภาวะเหล่านั้น ซึงในชั้นศีลธรรมจัญญาก็ไม่มีปัญหาแต่ในชั้นหลุดพ้นจากความทุกข์ก็มีปัญหาเพราะนั้นก็คือภพแม้จะประณีตย่างไงก็เป็นภพภพก็ต้องเป็นชาติก็เข้าสู่วงจรสารวัติพระพุทธมีพระภาคเจ้าจึงสอนให้ดับตัณหาทั้งหยาบทั้งกลางทั้งประณีตออกไปจากใจ ต, ตนานั้นจะปรากฏตัวในรูปอะไรก็ตาม ในรูปของตันหาทั้งสมในรูปของนิวรณ์ในรูปของอาสวะในรูปของอนุัสขึ้นอนอเนื่องอยู่ภายในใจในรูปสังโยชน์ที่ผูกมัดใจบุคคลเอาไว้ก็ทรงสอนให้มองเห็นเป็นกลุ่มของสมุทัยสัตว์ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญในสาเหตุที่แท้จริงแห่งความทุกข์ทั้งมวลจึงบุคคลกำลังประสบอยู่จึงทรงสอนให้มองเห็นโทษพยายามผ่อนคลายระงับ ดับละบรรเทาลงไปตามบรรดับแล้วความสุขความสงบก็จะบังเกิดขึ้นความทายไปในลมต่างๆก็จะผ่อใ น, ในคลายลงมาโดยลำดับเึ่งผลจะเกิดขึ้นได้มากม้ยแค่ไหนเพียงไรนั้นก็ขึ้นอยู่กับเหตที่บุคคลได้ประกอบประทานลงไปต่อจากนี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทําความสงบสืบต่อไป